บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องขององค์ธรรมที่ได้นำมากราวโดวยลำดับนั้นตามระยะที่ทรงแสดงไว้ในปัจจัยการคือปฏิจจสมุปบาท ที่แปลว่าธรรมซึ่งอาศัยการและการเกิดขึ้นคือธรรมที่เป็นไปตามปัจจัยหรือว่าเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับเป็นต้นจนะด้ว่าการจาแนกองธรรมออกมาในลักษณะนี้เป็นการแสดงกระบวนการของชีวิตที่หมุนเป็นวงกลมในรูปของสังสารวัติ เมื่อเรากาะกลุ่มออกไปแล้วก็จะพบว่ามีอยู่เพียงสามกลุ่มแต่นั่นเองคือกลุ่มหนึ่งเป็นกิเลสได้แก่อวิชาตันหาและอุปาทานกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มกรรมคือสังขารและภพบตอนนั้นก็เป็นพวกวิบาก ค, คือผลที่เกิดขึ้นจากการกิเลสและมีกรรม ในช่วงแรกก็จำจำแนกออกไปเป็นวิญญาณ น, นามรูปอายตนะพัสสะเวทนาในช่วงหลังก็จำแนกออกไปเป็นชาติสราวมรณะซึ่งกันที่จริงแล้วก็เป็นการกล่าวถึงเรื่องเดียวกันเมื่อเรามองจากสายของริยาศาตร์ก็คือกลุ่มของทุกข์ศาสตร์นั่นเองที่เป็นวิบาก ค, คือเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากกิเลสและกรรม รดับใดจะมีกิเลสการกระทำคาพูดและความคิดก็ต้องเป็นกรรมเมื่อทำกรรมก็ต้องรับอุบาอผลของกรรมอุ บ, ยบายเกิดขึ้นแล้วมีความพอใจมีความยินดีกิเลส ก, ก, ก็เกิดขึ้นอีกแล้วก็ทำกรรมอีกก็หมูนวนกันอยู่อย่างนี้เพราะการศึกษาให้เกิดความเข้าใจนั้นถึงสังเกตว่า มารั้นการจำแนกองค์ธรรมมันเหมือนกับเอายาขนาดหนึ่งหรือมเมล็ดหนึ่งมาแยกส่วนองค์ประกอบที่ทำให้เป็นยามเมล็ดนั้นแต่บางครั้งเวลาพูดไปก็ไม่ต้องรวบไม่ต้องแยกออกมาก็ได้ก็คือรับประทานไปเลยซึ่งพวกล่าโดยเชิงผลแล้วก็เป็นเช่นเดียวกันแต่การแยกออกไปโดยละเอียด กระทำให้ต้องใช้ความจำต้องหาความเข้าใจต้องแยกแยะมากยิ่งขึ้ น, นซึ่งส่วนใหญ่มกักจะเน้นหนักไปในด้านของปริญญาต์หรือการศึกษาเรียนซึ่งเหมือนกับการศึกษาเรียนหรือการศึกษาเรืร่องแผนที่ที่ตนจะไปในที่ใดทีหนึ่งก็มีรายละเอียดปลีกย่อยอย่าเป็นอันมาก แต่บางทีเมื่อไปเลยสถานที่เหล่านั้นหรือเส้นต่างๆเหล่านั้นที่ปรากฏอยู่บนแผนที่เราก็จะเห็นได้ด้วยตัวเองแต่นั้นธรรมคุณสองบทเป็นการยืนยันถึงผลของการประพฤติปฏิบัติว่าถ้าเมื่อปฏิบัติไปแล้วผลเหล่านั้นก็จะประจักษ์แก่ใจของบุคคลเอง ลอกสันทิติโกคือผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองและปัจจต่างวิริตโปิคือเป็นูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนในปันจจัยการสายใหญ่คือสายเกิดนั้นที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องของอริยสัต์ทั้งสี่ประการในวงการศึกษาพระปริยัติสัตย์ธรรมนั้นท่านบอกว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นอริสัตใหญ่ ส่วนอริยสัตว์นั้นเป็นอริยสัตว์เล็กเพราะไรเพราะว่าในปฏิจจสมุปบาทได้ขยายออกไปเป็นรูปงวงโซ่ที่เกี่ยวโยงกันไปตลอด12ห่วงด้วยกันแล้วก็หมุนวนกันอยู่อย่างนั้นอวิชชานั้นเป็นเรื่องของกิเลสซึ่งถ้าเรามองในสายของอริยสัตก็คือเรื่องของสมุทัยสัตว์ แต่วิชาเป็นรากงาวหรือเป็นโคตของกิเลสเพราะั้าเรากล่าวโดยสรุปคือมองโดยสรุปแล้วโลกมันก็มีอยู่สองสี่แค่นั้นเดงคือมือก็สว่างและสุขก็ทุกข์เย็นก็ร้อนมีวิชาก็มีอวิชาพวกรุงกิเลสทั้งหมดก็เกิดขึ้นมาจากอาวิชาเป็นรากงาวเป็นต้นค้าให้บางเกิดขึ้น กลุ่ของธรรมะก็มีวิชาคือถือว่าเป็นจุดสุดยอดของการประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่ทรงสแสดงก็มุ่งเสริมพวกวิชา ค, อคาือความรู้เมื่อความรู้เหล่านั้นเกิดขึ้นก็จะทําหน้าที่กระจัด อ, ว, อ, ว, มมด อ, ว, อวิชาคือความไม่รู้พอจนถึงจุดหนึ่งเมื่อความรู้สมบูรณ์อวิชชาคือความไม่รู้ก็หมดไปอย่างสมบูรณ์อย่าที่ทรงสแสดงไว้ว่า ของแสดงไว้ถึงอาการจัสรู้ของพระองค์เมื่อก่อนแก่ภิกษุทั้งหลายบ้างแก่บุคคลทั้งหลายบ้างทรงเล่าถึงขั้นตอนของความเพียรพยายามที่ลองผิดลองผูกมาโดยลําดับจนมาถึงจุดหนึ่งเมื่อกําหนดทิศทางได้แล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติไปพัฒนาพระทัยจนถึงอยู่จุดของจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหว ไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนโยนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้ในญาณต่างๆและในสุดญาณคือความรู้ก็เกิดผุดขึ้นอวิชชาคือความไม่รู้กระดับไปเหมือนอะไรเหมือนแสงสว่างที่เกิดขึ้นแล้วความมืดก็จะหายไปนั้นในภาคปฏิบัติจึงไม่จำเป็นจะต้องไปติดใจในรายละเอียดอะไร พอเมื่อปฏิบัติไปแล้วผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้นเองจะทำหน้าที่ขจัดในส่วนที่จรงกันข้ามกับตนเสมอไปลักษณะของความเป็นสันเลขะคือเครื่องขัดเกลาใจของธรรมะซึ่งก็มีอยู่เป็นอยู่อย่างนี้โดยธรรมชาติธรรมดาของธรรมะแล้วก็เป็นอย่างนี้ คั น, นี้ผมสังเกตว่าบางครั้งพระเจ้าจะทรงแสดงเรื่องศรัทธาโดยไม่พูดถึงผลซึ่งเกิดขึ้นจากการมีศรัทธาว่ามุตธาเกิดขึ้นแล้วจะทาหน้าที่ขจัดอะไรแต่จะบอกหรือไม่บอกศรัทธาก็ทาหน้าที่ขจัดชั้นแรกก็จะกระจัดความไม่เชื่อต่อมาเมื่อมีกำลังมากขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นภายในใจก็จะกระจัดความเคลือบแคลงสงสัย แล้วต่อไปก็จะขจัดกรรมมาจัดหลังจากหลักเหล่านี้เราจะพบว่าแม้แต่เพียงศรัทธาข้อเดียวแต่ว่าในภาคปฏิบัติจริงๆก็ไม่ใช่ข้อเดียวมันต้องมีอยู่หลายข้อด้วยกันตำนานคล้ายๆเรารับประทานอาหารนี่เราจะหยิบของส่วนใดส่วนหนึ่งอาหารที่รับประทานเข้าไปมันต้องมีทั้งหลายอย่างมื่แยกส่วนออกไปมันก็มีมาก เราจะหยิบของอย่างใดอย่างหนึ่งอวัยวะในส่วนต่างๆของร่างกายเราก็เคลื่อนไหวไปเป็นนั้นมากแต่ส่วนใดที่เคลื่อนไหวมากใช้กาลังมากพลังตัว น, นั้นมากเราก็เรียกว่าหยิบหยิบด้วยมือหรือหยิบด้วยมื อ, อมือซ้ายมือขวาเป็นต้นแสดงว่าอาวัยวะส่วนนั้นก็เคลื่อนไหวมากแต่ไม่ได้หมายความว่าอาวัยวะส่วนอื่นจะไม่เคลื่อนไหวองคตธรรมก็มีลักษณะอย่างนั้นสตาเวลาเขาตั้งมั่นก็จริงๆ เราจะทำให้คนบรรลุถึงประสดติันแล้วพอตั้งมั่นสูงเงินไปกว่านั้นที่เรียกว่ากามะชันนั้นก็าล่าดได้ไปถึงเป็นพระอนาคามีบุคคลเป็นปริมาณของแสงสว่างรือค่อยๆ ข, ขยายออกไปโดยลำดับแล้ว็จัดความมืดออกไปโดยลำดับวิทยาคือความเพียรพยายามที่มังเกิดขึ้น เราก็อยู่ตรงงานข้ามกับความเกียดคร้านราะตัวความเพียรที่เกิดขึ้นพระเจ้าก็จะสอนจะพาะความเพียรไม่จําเป็นว่าต้องพูดเรื่องของจัดความเกียดคร้านแต่ตัวความเพียร น, นั่นเองเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องของจัดความเกลียดคร้านได้ถ้าความเกียดคร้านยังไม่สงบแสดงว่ากําลังของความเพียรยังมีไม่มากพอแต่เมื่อกําลังของความเพียรมีมากพอความเกียดคร้านก็ถูกขจัดไปหรือสติ ความระลึกได้ที่ทรงสักสอนเมื่อเ้าเกิดที่จริงเ้าก็เกิดขจัดสติสัมโมสาคือความหลงลืมความเลอะเลือนความเผลอเรอความคลั้งพลาดเพราะการขาดสติธรรมะสองประการนี้เรียกว่าเป็นปฏิปักษ์กระทกันคือธรรมะอยู่ตรงกันข้ามกันธรรมงเย็นกับร้อนอยู่ตรงกันข้ามกันอย่างหนึ่งปรากฏอีกอย่างหนึ่งก็จะไม่ปรากฏ เพเมื่อสติมีกำลังแก่กล้าขึ้นไอ้ความเผลอเร่อความหลงลืมความพลั้งพลาดก็จะปรรเทาเบาบางลงไปแต่ตามปกติแล้วคนเราทั่วไปนั้นสติมักจะน้อยมักจะมีกำลังไม่พอความเผลอเร่อความหลงลืมความพลั้งพลาดจึงมีอยู่เสมอการปฏิบัติกรรมาฐานจึงมุ่งที่จะเสริมสร้างให้เกิดสติให้มีกาลังมาก แต่ความหลงลืมเลอะเลือนต้งเกิดขึ้นจากการขาดสตินันเพราะสติสมบูรณ์ถามว่าสมบูรณ์ที่ไหนพสมบูรณ์เต็มที่ต้องระดับพระอ า, าราคันเรียกว่าสติวิปุโรหรือมีความไพยบูรณ์หรือมีความสมบูรณ์ทางสติหรือสมาธิความตั้งมัน่น มันบังเกิดขึ้นภายในจิตเราจะดูตัวสมาธิหรือดูตัวที่เป็นความสงบจากสมาธิก็ได้มันก็ยันกันเองทำนองใกล้ๆกับฝนตกคือเราอาจจะดูเมื่อตอนน้ำหลากแล้วฝนหายไปแล้วเราก็บอกได้ว่าฝนมันตกหรือจะดูตอนขณะฝนตกก็ได้ก็บอกได้วฝนตก ธรรมะัก็มีลักษณะอย่างนั้นตูผลคือความสงบที่เกิดขึ้นจากการบีธรรมะข้อนั้นก็ได้สมาธิเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วจะทำหน้าที่กระจัดจิตตะวิเขปะคือจิตที่ฟุ้งซ่านซัดสายผ่านไปในอารมณ์ต่างๆแสดงเห็นถึงอะไรแสดงเห็นถึงความไม่ตั้งมั่นของจิตคือจิตจะแหวงไปแกวงมาเหมือนกรลมอยู่ยอดสาเหมือนกระทงอยู่ยอดเสา คือจะวันไหวไปตามแรงของลมที่มาพัดวันไหวมากวันไหน้อยก็ไม่รู้แหละก็ขึ้นกับลมที่มาพัดในขณนะนั้ น, น, นจิตใจมันก็เป็นเช่นนั้นเพราะเมื่อเขาตั้งมั่นเป็นสมาธิอาการ ว, าวันไหวอย่างนั้นก็สงบดรือปัญญาเมื่อบังเกิดขึ้นก็กำจัดพวกความไม่รู้ออกไป หรื อ, อยังน้อยก็ปัญญาน้อยออกไปที่ท่านเรียกว่าทุบปัญญาคือปัญญาน้อยหรือปัญญาทรามเพราะขึ้นอยู่กับปริมาณของปัญญาที่บังเกิดขึ้นเราอาจจะรู้ในจุดหนึ่งแต่พอถึงอีกจุดหนึ่งอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่ว่าจุดหมายปลายทางจริงๆนั้นอยู่ที่สงบพวกอวิชชานั่นคือกล่าวในส่วนของปริยัติ โดยเห็นว่าจะมีองค์ธรรมรวมกันถึงห้าข้อด้วยกันแต่ในภาคปฏิบัติแล้วสมมุติว่าบุคคลใช้ปัญญาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในขณะที่ใช้ปัญญาอยู่นั้นเองสติความเพียรความเชื่อมั่นความมั่นคงทางใจก็ต้องเป็นหลักในการใช้ปัญญาไม่ใช้ปัญญาสายไปเรื่อยๆคือมองไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆเราก็หาความรู้ความเข้าใจแจม่มแจง้งไม่ได้ เราทำนองคล้ายๆกับเราจะยกของหรือจะใสกบไม้หรือจะทําอะไรก็ตามไม่ดองสังเกตว่าอวัยวะทุกส่วนนั้นต้องช่วยกันเพียงแต่ว่าส่วนใดใช้มากเราก็ถือว่าทํางานด้วยอวัยวะส่วนนั้นองค์ธรรมะที่ในภาคปฏิบัติก็มีลักษณะอย่างนั้นทุกข้อนั้นที่จริงก็มีอยู่ด้วยกันอย่างที่พระเจ้าทรงอุปมาธรรมะห้าข้อไว้ว่า นั่นเหมือนกับสาหายห้าคนเป็นเพื่อนรักใคร่ชอบพอสนิทสนมกันในห้าคนนั้นสี่คนเป็นบุตรอมต่คนหนึ่งเป็นราชกุมารคำว่าราชกุมารในที่นี้คือตัวปัญญาโรสทาพวกความเพียโรโพสติโพสมาธิก็ถือว่าเป็นบุตรของอมตะแต่ก็เป็นเพื่อนฝูงกันไปไหนก็ไปด้วยกันหรือไม่แยกจากกัน เลาบ้านของเพื่อนอีกสี่คนซึ่งเป็นบุตรอมาตนั้นทุกคนก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่จะดูแลต้อนรับคนซึ่งมาที่บ้านแต่พอข้าไปถึงพระราชาวังทุกคนต้องอยู่ภายใต้าการบังคับของราชกุมารธรรมะในภาคปฏิบัติสมมุติเราน้อมไปที่ศรัทธาคือศรัทธาที่ตั้งมั่นอยู่ แสดงว่าสติปัญญาจะต้องมีการลึกรู้พิญญาพจารณาถึงสิ่งที่ควรน้อมใจเชื่อหรือไม่น้อมใจเชื่อในช่วงนั้นก็ต้องมีความเพียรเข้าสนับสนุนจิตใจจะต้องมีความมั่นคงก็เป็นอาการของธรรมะอีกสีประการที่ต่อเนื่องกันไปเพราะลักษณะของธรรมะในภาคของการปฏิบัติบางครั้งจะทรงแสดงแต่เพียงเล็กน้อย ก็เป็นเหตุผลของภาคปฏิบัตินั้นอย่างหนึ่งเป็นเหตุผลทางกิตวิทยานันอย่างหนึแต่ตามปกติแล้วคนเราถ้ามองเรื่องที่ตัวเองจะต้องทํามากๆนั้นจะไม่ยอมทํานอกจากว่าเขาจะได้อะไรมากๆเขาก็ ย, ยอมรับซึ่งเป็นความต้องการโดยธรรมชาติของมนุษย์ในภาคปฏิบัติก็คือว่าขอให้สร้างสิ่งนี้ขึ้นมากันแล้วกัน ถ้ต่อไปผลก็จะเกิดขึ้นมาเองตำนองที่อุปมาว่าเหมือนกับบุคคลปลูกต้นไม้จะดิดหนชดนิดหนึ่งลงไปแล้วจริงๆมันก็จุดเล็กๆเป็นกิ่งเล็กๆเป็นลําต้นเล็กๆซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นมเมล็ดโดยทำไปแต่เมื่อถึงช่วงหนึ่งโอกาสหนึ่งนั้นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้นั้นทั้งหมดก็จะบังเกิดขึ้น คือไม่ได้มีเฉพาะลำตทนไม้เพียงอย่างเดียวแนวเขาแนวเขงปัจจัยการมันก็มีอาการอย่างนั้นเป็นกระบวนการที่ส่งแสดงให้เห็นว่าการที่บุคคลต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏจนไม่รู้ว่าเท่าไหร่ต่อมิเท่าไหร่อย่างที่รับสั่งแก่พระนุ์เทระวางพราะเราและพวกเธอทั้งหลายไม่รู้ซึ่งอาริรยสัต์ทั้งสี่ประการ ทงท่องเที่ยวหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏเป็นนั้นมากประสบความทุกข์ความเดือดร้อนในสังสารวัฏเป็นนั้นมากน้ําตาที่เราต้องร้องให้เพราะการพระราสูญเสียจากคนนั้นเป็นที่รักนั้นถ้าไม่เกือดแห้งไปในสังสารวัฏอันยาวนานก็จะมีมากกว่าน้าในมหาสมุทรเสียอีกกระดูดที่พเราตายแล้วตายอีกตายแล้ ว, ต า, ล ว, ต, าลวตายอีกอยู่ในทังสารวัฏ ถ้าหากว่าไม่เปืือยหน้าผูกพังไปตามกานจะเป็นกองใหญ่โตมาหึกมายิ่งกว่าภูเขาเวปุระบันคดซึ่งล้อมกรุงราชเจ้าครื้นสีนี่เป็นธรรมเทศนาที่ทรงแสดงโดยอุปมาเพราะเอาก็จริงก็ไม่รู้จะนับยังไงนันไม่มีตัวเลขให้นับเราถึงสมมติเราจะนับได้บังคนไม่รู้จะนับยังไงนั่นคือสง ส, สงสารที่หาเบื้องต้นแต่หาที่สุดไม่ได้ เติที่สุดของทั้งสารวัตรมันก็มีโดยการทําลายเงื่อนต่อตัวหลักใหญ่ก็คือตัวอวิชาออกไปเพราะในสายดับพระเจ้าจึงทรงแสดงในรูปของสายดับว่าเมื่อวิชาดับสังขารก็ดับสังขารดับวินญาณดับวิญญาณดับนํารูปดับเป็นต้นนั้นก็นับเรียงไปคล้ายๆกับไพ่โดมิโนอย่างที่รู้กัน ที่จริงไม่จำพจำเป็นจะต้องพูดอย่างนั้นก็ได้ผมก็รู้กันเมื่ออวิชชาดับแล้วทั้งกระบวนการของปัจจัยการก็ดับตำนองคล้ายๆกับค้นต้นไม้ลงแล้วข้างบนไม่ต้องพูดถึงมันก็ต้องพังลงมาหมดแล้วเช่นเดียวกันแต่ว่าการพูดในแนวเรียงให้ดูก็กลายเป็นธรรมะตั้งสิบสองข้อด้วยกัน แต่จริงๆแล้วตัวใหญ่ันก็คืออวิชาแต่นั่นเองเพราะทั้งสายเกิดและสายดับนั้นผู้คนสามารถจะมองได้ในช่วงสั้นๆแต่ที่ทรงแสดงนั้นแสดงในช่วงยาวคือหมายความว่าอาวิชากับสังขารนั้นเป็นอดีตเหตุทำนองคล้ายๆกับหนอของพืช และความชื้นภายในมเมล็ดพืชที่มีอยู่ประจําในตัวพืชเมล็ดพืชตอนนั้นเมื่อเขาได้อุณหภูมิที่เหมาะสมเขาก็งอกได้เขาเรื่อยๆแล้วก็วงจรของเขาก็หาจุดจบไม่ได้เหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าต้นไม้แต่ละชนิดนั้นเกิดขึ้นในโลกเมื่อไหร่แต่เดี๋ยวนี้ก็ก็ยังอยู่ถ้าไม่กี่ชั่วของต้นไม้แล้วก็ไม่มีใครรู้หรอกแต่นั้นคือวัตฏะของสิ่ง มีชีวิตทั้งหลายในโลกมันก็เป็นเช่นนั้นวันใดที่ยังมีอวิชชากับยังมีบาปบุญอยู่การบุญวนอยู่ในทั้งสารวัตรก็ต้องเกิดส่ววิญญาณคือปฏิสนธิวิญญาณนามาูปอาญตนะคือญาตนะภายในเพราะในที่นี้ก็เน้นที่ตัวภายในก่อนผัสสะและกะเวทนา เป็นผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็เกิดขึ้นเมื่อหลังจากเราถือปฏิสติในครันมาแล้วบางอย่างก็เกิดขึ้นแต่อายตนะครบมาสัมผัสหมดก็ตอนออกมาจากท้องมารดาแล้วพอสัมผัสเข้ามากเกิดเวทนาเกิดเป็นความสุขความทุกข์เกิดเป็นความยินดียินร้ายก่อนแต่จริงมันเกิดความไม่รู้ก่อน ให้ลองสังเกตว่าสิ่งที่เราผ่านพบทางประสาทสัมผัสของเรานั้นจุดเริ่มต้นจริงๆนะเราไม่รู้ก่อนทำไมจึงไม่รู้เพราะภายในใจมันมีอวิชชาอยู่เพราะความไม่รู้นั่นเองจึงดิ้นรนเพื่อรู้แล้วพอรู้ขึ้นไปรู้คุณค่ารู้โทษของสิ่งเหล่านั้นความรู้สึกก็จะแบ่งแยกออกไปเป็นสองสายสามสายได้ยังจะแบ่งแยกเป็นทางสายรู้สึกชอบรู้สึกช่างรู้สึกเฉย ไอ้เฉยๆไม่ค่อยมีอำนาจอิทธิพลอะไรทั้งหลายหรอกมันมีเฉพาะชอบกับชังพระเจ้าจึงทรงเน้นอยู่สองคำทีเดียวพิชากระโทมณัสที่จริงก็คือรักชังต่อมาเมื่อไปพบเห็นสิ่งเหล่านั้นอีกทําไมเราเกิดรักชังเกิดมาทั้งๆที่พบใหม่ที่จริงไม่ใช่ใหม่ถ้าเปิดใหม่แล้วมันก็ไม่มีความรักชังมันเกิดจากความไม่รู้ก่อน นอกจากจะเป็นการปรุงแต่งขึ้นจากสัญญาเก่าๆเช่นความใครยครึงไปพบสิ่งที่ใคร่ครึงกับสิ่งที่เรารักใคร่พอใจก็เกิดรักใคร่พอใจในสิ่งนั้นแลยเกิดไปใครยครึงเกิดไปเหมือนกันกับสิ่งที่เราไม่ชอบความไม่ชอบในคนนั้นสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นแต่เราสังเกตว่าความชอบความไม่ชอบนั้นมันมาจากตัวที่เราเก็บไว้กอดไม่ใช่ไม่จะอยู่ที่ตัวนั้นตัวนั้นเป็นทาง เทียบเคียงเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกรักชังขึ้นมาแต่นั้นเองเพราะพอเราพบอารมณ์ในชีวิตประจําวันความรู้สึกมันก็ออกมาสามทางเหมือนเดิมในกรณีของอารมณ์ที่เราเคยผ่านพบมาบ้างไม่เคยผ่านพบมาบ้างเก็บไว้ด้วยความรู้สึกที่แตกต่างกันจะกลายเป็นความดีใจความไม่ไม่พอใจและความพอใจความไม่พอใจและความรู้สึกเฉยๆ คนนี้ว่าเกิดออกมาเป็นสุขกเวทนาเป็นทุกกเวทนาเป็นอทุกขกมสุขเวทนาคือถ้าเราชอบเราเกิดสุขเวทนาถ้าไม่ชอบก็ เ, เกิดทุกกเวทนาถ้าเราเก็บไว้เฉยๆเจออิ่มก็เฉยๆอีกเขาเรียกอทุกขกรรมสุขกเวทนาคือไม่ถึงกับทุกไม่ถึงกับสุขที่เด่นชัดลงไปแล้วจากจุดนี้มันก็เกิดเป็นตันหาแรงประดานที่เกิดตันหามันก็มีอยู่สองตัวคือชอบกับชัง ทีสุกทุกข์นั่นเองที่ออกมาจากชอบกระจังเอที่ชอบมันก็เกิดเป็นการมันตนาเกิดเป็นภาวะมัตนาที่ช่างว่าเกิดมาเป็นวิภวะัตหาแล้วเสร็จแล้วก็เกิดเป็นความยึดมั่นถือมั่นเพราะาผู้ศึกษาทำปฏิบัติธรรมะจะเห็นได้ว่า ลักษณะของตัณหาและอุปาทานนั้นมีเป็นอันมากที่เป็นเรื่องตัณหาใหม่ๆอุปาทานใหม่ๆแต่เชื่อนั้นเขามีอยู่ก่อนจริงรเวลาการจําแนกตัณหานั้นจะจาแนกตามอาจตนะที่ว่ารู ป, ปรตัณหาสัท ธ, ธตัณหาคือตัณหาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในปุถะภะในธรมรมารมให้เราสังเกตว่ารูปบางรูปนั้นเป็นรูปใหม่ๆมันเกิดตัณหาใหม่ๆ แล้วเกิดความยึดใหม่ๆขึ้นมาเสียงมันเสียงก็เหมือนกันคือเกิดตัณหาใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็มีการยึดติดในเสียงเหล่านั้นเป็นต้นในตรงนี้แหละท่านบอกว่าเป็นปัจจุบันเหตุเห็นว่าความไม่เหตุในปัจจุบันถ้าเราจะหยุดสร้างเหตุจะได้ไหมมันก็ได้ หมาความไม่ไงหมายความมาตาก็คงเห็นรูปหูคงฟังเสียงอยู่นั้นแหละอันนั้นเราหยุดก็ไม่ได้แต่ว่าใจจะไม่กําหนดหมายอารมณ์ดดนั้นท่านเรียกว่าไม่มนานัสิการก็ไม่ใส่ใจตังอารมณ์ตนั้นความรู้สึกรักชังก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อเราไม่มีความรู้สึกรักชังกระบวนการของจิตซึ่งแกทําหน้าที่ไหลไปตั้งสี่จังหวัด เราอาจจะรับแต่เราก็ไม่กําหนดรักชงังก็ไม่ได้เก็บเอาไว้ไม่ได้เก็บเอาไว้ความจําในเรื่องนั้นในฐานะเป็นที่รักเป็นที่ชังมันก็ไม่มีเพราะการคิดปรุงด้วยอํานาจของวิตกซึ่งก็ต้องมองกลับไปที่วิตกอีกสามประการตึกนึกด้วยอำนาจความกําหนัดรักใคร่มันก็ไม่เกิดเพราะเราไม่มีให้คิดตึกนึกด้วยอำนาความพยาบาทมันก็ไม่เกิดเพราะเราไม่พยาบาท ตึนึกรวมอำนาจความเบียดเบียนก็ไม่เกิดเฉพาะในกรณีนั้นวันการดับเหตุจึงดับที่ปัจจุบันเราจะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมะในทางศาสนาบางครั้งที่ส่งเน้นให้เห็นว่าที่จริงเมื่อเกิดตรงนี้แหละตัณหาเมื่อจะเกิดมันก็เกิดที่อายตนะภายในอายตนะภายนแล้วก็ทรงทยอยไปเป็นแถว หมายความถ้าดับตรงนี้ได้ก็จบ ก, ก็จบคือข้างหลังก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วทีนี้ตีต่างว่าดับไม่ได้มันก็ไปดับเป็นในจังหวะต่างๆคือทางเกิดข้นมาของขอ ง, ของตัณหาก็ออกมาในลักษณะต่างๆเป็นนั้นมากทีนี้ถ้าตัณหาไม่เกิดสักอย่างหนึ่งอุปาทานมันก็ไม่เกิดเพราะอุปาทานนั้นเป็นปันจจัยกับตัณหาปหัญหาใหญ่ว่าทำอย่างไงจึงจะควบคุมใจไม่ให้เกิดตัณหาครอบงาใจมากเกินไป เพราะการสอนในตอนต้นๆ น, นั้นพระเจ้าจะสอนในรูปของการบันเทามากกว่าที่จะเอาจริงจนถึงก็ตัดขาดไปเลยเรื่องไม่จะง่ายขนาดนั้นแต่ท่านอย่างไงจึงจะบรรเทาตันหาในอารมณ์ทั้งหลายต้องไปได้ซึ่งในภาคปฏิบัตินั้นจะพบว่าอาจจะเริ่มมาจากตัวอาจารตนะแล้วแต่จะทรงแสดงก็เริ่มมาจากอาจตนะก็ได้ ความเมื่เราก็มีตาหัวจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเคยนึกฟังเสียงนุ่กลิ่นริมรถถูกถูกต้องเย็นร้อนหนอนแข็งแล้วก็สึกนึกถึงอารมณ์อยู่นั่นแหละแต่ไม่ใส่ใจหรือมองสักว่าใช่บ้างถ้กว่าเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรถเป็นเย็นร้อนหนอนแข็งใช่บ้างในกรณีที่จะเพิ่มกิเลสเพิ่งสังเกตว่าการต้นบนระวังที่ทรงสอนนั้นทรงสั่งสอนในกรณีที่ จะเป็นการเกิดกิเลมพเจ้าสํารวมระหว่างไว้ทุกกรณีเพราะทจริงแล้วการรับธรรมะจนถึงมรรคผลผนิพพานแล้วก็ผ่านมาทางภาษาสัมผัสเหมือนกันอย่างพระปัญจวัคคีฟังธรรมะแล้ก็ผ่านมาอางโสตสัมผัสคือสัมผัสทางหูท่านได้ยินได้ฟังคําสั่งสอนของพพุทธเจ้า บางทีมันก็เป็นจกุดสัมผัสคือเห็นด้วยตาถึงการพิจารณาพวกอารมณ์กรรมาฐานทั้งหลายนั้นก็เกิดมาจากการเห็นด้วยตาแต่ว่าอาศัยโยนิโสมนสิการคือ ก, การพิจารณาโดยเหตุโดยผ ล, โด ย, ผลโดยบายวิธีอแยบคายก็สามารถถ่ายถอนบรรเทาความกา้าวหน้ความยึดติดในอารมณ์ทั้งหลายลงไปได้ลักษณะของกิเลสนั้นเคุนสังเกตว่า ไอ้กิเลสเก่าก็เก่าแหละแต่ว่ากิเลสใหม่นั้นที่จริงแล้วเราสามารถบรรเทาได้ทุกวันสามารถสงบได้ทุกวันสามารถระ ง, งับได้ทุกวันแต่สามารถดับได้ทุกวันดับได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ถือว่าดับเสบ้างมันจะลดความรู้สึ ก, กรุนแรงด้วยแรงกระแทกกระทันของกิเลสเมื่อตัณหาเขาลดคือลองในแนวไม่สนใจสมมติไม่สนใจในระดับของประสาทสัมผัส ไอตัวสัมผัสเหล่านั้นก็จะไม่มีอิทธิพลอะไรต่อเราเวทนามันก็ไม่มีกำลังอะไรให้เราสังเกตว่าความโกรธบางทีสัเราปล่อยวูบเดียวแล้วปล่อยมันหายไปได้มันก็มีแค่นั้นแหละแต่ที่โกรธออกมากมากโโกรธอ อ, ธ อ, อจนนอนไม่หลับนั้นที่จริงก็ทําให้โกรธในที่หนึ่งแล้วก็ขอบความโกรธกลับบ้านนอนคิดคิดปรุงปรุงคิดปรุงคิดคิดปรุงแล้วก็ลากกระไปให้เปลือกเปลืน่นกับบุคคลทั้งหลายไปนานมาก เอาเรื่องอดีตเข้ามาลากเอาโคตรง่าวทึกเถาเหล่ากอขึ้นมาลากซึ่งลักษณะาการลากเหล่าเนี้ยเราจะเผ่าพันธ์มนุษย์บางเผ่าพันธ์นั้นลากไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ก่อนประวัติศาสตร์เช่นพวกอาหรับกับอิสราเอลลากออกไปไกลลิบๆแล้วก็กลายเป็นพยาบาทเด็กเกิดขึ้นมาก็ถูกยัดเยียดตัหาอุปท า, านเข้าไป จริงทั้งหมดมันเป็นเรื่องอดีตแล้วคนเหล่านั้นก็ทะเลาะ ก, กันแล้วในอนดีตก็ตายไปหมดแล้วในอนดีตแต่เนื่องจากเราเอามาเชื่อมต่อเข้าที่จริงก็เรียกเป็นอติอารมณ์คืออารมณ์ในอนดีตแต่เราไม่เอามามันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเราเอามาก็แสดงว่าไปสร้างขึ้นในปัจจุบันเรื่องอดีตนั่นแหละแต่เอามาปรุงในปัจจุบันมันก็สร้างปัญหาขึ้นมาอีกเพราะการสํารวมระวัง ในระดับต่างๆอย่างที่ทรงแสดงไว้จึงสามารถหยุดหรือบรรเทาลดละกระแสของตัณหาและอุปาทานออาไปได้ก็จะสามารถสัมผัสความสุขความส ง, งบได้ตามสงควรับการปฏริบัติต่อไ่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทงความส ง, งบสืบต่อไป